จัดระบบแบบจับฉลากเข้ามาดีไหมพอใจไหมใครพอใจยกมือสิสำรวจทัศนคติเทียบกับแบบก่อนนะวิ่งแย่งกันเข้ามาเอาแบบไหนดียังไม่ได้ปิดประตูใช่ไหมเอีกหนึ่งคนกำลังมาค่ะ อ, ะอะเดี๋ยวรอเข้าก่อน กลับมาเมืองไทยนานยังยังไม่นานยังไม่ได้กลับเลยเลออ่นึกว่ากลับจะได้ส่งเข้าเกตกับกันเ <c oughs> มืองไทยก็ไม่มีโรคระบาดเกือบสามเดือนแล้วมีใดเฉพาะ เข้ามาจากต่างประเทศถ้ากลุ่มตัวนี้อยู่ก็พวกเราไม่ต้องลำบากมากแต่บางอาชีพก็ลำบากหน่อยพวกที่หา ก, กินกับธุรกิจท่องเที่ยวนี่แต่ตอนนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีคนอยากเที่ยวเท่าไรหร่แล้ว เป็นบุญของพวกเรานะได้เกิดในยุคที่มีโรคระบาดเขาบอกร้อยปีมีรอบนั้นรอบร้อยปีมีครั้งหนึ่งแสดงว่าเราเก่งรอดศึกใหญ่ในรอบร้อยปีก่อนโรคระบาดคนตายเยอะกว่านี้เมืองไทยก็ฮิวาเคยระบาดกาลโลกเคยระบาด ตายกันชนเผาศพไม่ทันฝังนะฝังไม่ทันก็ทิ้งไว้ให้อีแลานกินศพทิ้งแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเรื่ยราชทิ้งในประชา้ามืาชา้าถามพระจนาว่าหลวงพ่อจะเทศเรื่องอะไรดีเนะี่ยหลวงพ่อไม่ได้มีความรู้อะไรเลย เวลาคิดจะเทศเรื่องนั้นเทศเรื่องนี้นะมันเปลี่ยนเรื่องไปเฉยเลยยิ่นไม่มีโผในการเทศไม่มีสคริปต์สัมโนโวหารไม่ไพเราะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนไม่ได้แต่งเอาไว้เทศกันด้วยใจตรงไปตรงมาเท่านั้นแหละ อ, อ๋อมาละ ยิน ด, ดีต้อนรับจ <c> ร <oughs> ิงธรรมะนะจะว่ายากก็ยากย่ง่ายก็ง่ายเ <c oughs> มื่อก่อนหลวงพ่อยืนยันมันง่ายมากเลย <c oughs> นี่พวกเราหลายคนภาวนาตั้งนานแล้วรู้สึกทำไมมันยากมันยากด้วยเหตุผลหลายข้อนะ ที่รู้สึกยากอันแรกพื้นฐานของเราไม่มีสีเราอยังก็พร้องกับแพล้งด่างพลอยสมาธิของเราก็ไม่มีใจไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเคยภาวนามันสะสมข้ามภพข้ามชาติได้เราะนั้นบางคนนะตอนเด็กๆ จิตมันก็ดิดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่ต้นทุนเขาเยอะอย่างหนึ่งก็ต้องมีบุญพอสมควรได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็สอนได้ตรงจริตของเราหลวงพ่อตอนเด็กๆไปเรียนสมาธิ ถ้าท่านพหลีวัโสการามท่านสอนอนาปนาสติมันถูกกระจิตชอบทุกวันนี้ตอนนอนยังนอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอยู่เลยทำทุกคืนทำอย่างั้นบางทีทำจนมันไม่นอนไม่หลับใจมันเบิกบานมีความสุขจิตใจได้พักผ่อนร่างกายก็นอนอยู่ เวลาจะมาเดินปัญญาครูบาอาจารย์องค์แรกที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยลงพู่ดุลท่านสอนให้หลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยกันดูจิตท่านไม่สอนสมถะหลวงพ่อเลยกับคนอื่นกับท่านอื่นที่ท่านสอนเรื่องสมถะสอนให้พุโทโธแล้วก็ค่อยรู้จิตที่เป็นคนท่องพุโทโธเนี่ยไม่ใช่พุโทโธเฉยๆนะ พุทโทรเรารู้ทันจิตที่ท่องพุทโธไม่ใช่ท่องพุทโธพุทโธเฉยๆนะครูอาจารย์รุ่นเก่าจริงๆท่านมุ่ง ม, มาที่จิตจะพุทโธก็ให้ได้จิตบางองท่านสอนให้พิจณาผมเส้นเดียวบางองให้พิจณากระดูกอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมด หลวงพ่อเข้าไปหาท่านท่านไม่สอนเรื่องสมาธิพ่าท่านพ่อหลีสอนมาแล้วหลวงพ่อทำอย่างที่สอนดันันท่านก็สอนเรื่องให้ดูจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปอะไดูตรงนี้มียานเห็นจิตไม่ใช่มีสติเห็นจิตมีสติเห็นจิตคือเห็นตัวสภาวะของจิต สติเป็นตัวรู้สภาวะแต่นี้ท่านบอกให้มีญาณเห็นจิตญาณเป็นตัวปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของตัวสภาวะเมราะฉันทีแรกก่อนที่ปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะได้ก็ต้องเห็นตัวสภาวะก่อนก็ฝึกสติ สติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะบ่อยๆเพราะฉั้นเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมก็ได้ทำในธรรมเล่นยากเอาไวท้ทีหลังเอาของง่ายก่อนดูกายในกายคำว่ากายในกายไม่ใช่ดูเข้าไปข้างในกาย กายในกายเป็นเทคนิคเทอมเป็นภาษาเฉพาะภาษาวิชาการคําว่ากายในกายก็คือเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดอย่างร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยรูปทั้ง28อย่างมีรูปประกอบกันยีสิบอย่างเยอะไม่ต้องเรียนทั้งหมด เรียนทั้งหมดนะไปเรียนปริยัติเอาไว้สอบสอบเสร็จแล้วก็ลืมยังลดละ ก, กิเลสอะไรไม่ได้หรอกเรียนในทางปฏิบัตินะเราก็สุ่มตัวอย่างเรียนรูปบางอย่างเช่นไม่ต้องเรียนเรื่องรูปผู้หญิงรูปผู้ชายอะไรเงี้ยเราแค่เรียนรูปรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าเรียนรูปง่ายๆในสติปัฏฐานจะเริ่ม จากอนาปานาสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหลวงพ่อเน้นหายใจออกก่อนในพระอจายพิดกให้ก็สอนดูกราภิกสูทั้งหลายให้ถธอคูบันลังคู้บันลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าไม่ใช่รู้เฉพาะหน้าตัวเองนี้เฉพาะหน้าหมายถึงรู้ปัจจุบัน สิ่งที่ปกําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี้แหละนี่ว่ารู้เฉพาะหน้าถ้อาอ่านไม่ดีนึกว่าให้รู้แต่แค่หน้านี้ไม่รู้ที่อื่นนะไม่ใช่พิสูจทั้งหลายให้เธอคูบันลังตั้งกายตรงดงํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจเข้าหายใจออ ก, ห า, ออกหายใจเข้า มันจะกลับข้างกับที่พวกเราเคยชินเราจะเคยชินหายใจเข้าก่อนเพราะเราเคยเรียนอย่างหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทห็นไมแล้วมันหายใจออกโทแล้วมาเข้าพุทธเลยเนะี่ยรู้สึกติดขัดทำไม่ได้อ น, นี้เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวเราก็หายใจออกแล้วมันขัดกับพุทโทเลยทาไง เราก็หายใจทิ้งเป็นทีหนึ่งก่อนหายใจออกทิ้งไปยังไม่ต้องบริกรรมแล้วตอนที่หายใจเข้าเนี่ยพุดเลยนะหายใจออกอีกทีก็โทไปเลยนั้นช็อตแรกจังหวะแรกนะหายใจหายใจออกทิ้งแบบเหมือนระบายลมในตัวออกไปนะการหายใจออกก่อนจะทำให้จิตผ่อนคลายถ้าการหายใจเข้าก่อนเนี่ยจะทำให้จิตแข็งมันจงใจมากไป พกเลองถอนหายใจสิถอนใจควระเคือกสิถอนใจใดูถอนใจอย่างนี้ถอนเป็นไหมอย่างเงี้สยสังเกตไหมเวลาถอนใจแล้วรู้สึกไงรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมั้นการที่หายใจออกก่อนนะมันจะทําให้ผ่อนคลายจิตที่ผ่อนคลายมันเกิดสมาธิง่ายเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ หายใจทิ้งไปหน่อยหนึ่งนะล้วก็ค่อยหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทแต่ถ้าอยู่ๆก็หายใจเข้าฟูดออกโทเลยหายใจเข้ามันจะแน่นใจมันจะอึดอัดเ น, นี่ยทริคพวกนี่ยนะเราค่อยๆภาวนาแล้วเราค่อยเก็บเกี่ยวหลวงพ่อทานาปัญสติมาตั้งแต่เจ็ดขวบมาถึงวันเนี้ย 61ปีที่ทำอานาปนาสติทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยทำมาหกสเ็ดปีแล้วก็จับเคล็ดลับประจับอะไรมันได้หลายตัววิธีที่จะภาวนาให้จิตมีสมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเราจับหลักมันยังไม่ได้นะ ไม่รู้จักทริคของมันนะก็ลำบากนิดหนึ่งแต่ใหม่ๆก็ลำบากไปก่อนอดทนทำไปเดี๋ยวมันก็จับหลักได้จับได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากอย่างเราจะหายใจไปเนะี่ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกอย่าทำด้วยความโลภถ้าทำด้วยความโลภจิตจะไม่สงบเราตั้งหลักว่าเราหายใจเป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องโลภไม่ได้อยาก ให้พระพุทธเจ้ามาให้อะไรเราเราบูชาท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูของเราอย่างเราหายใจนะออกไปทิ้งทีหนึ่งหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทไปนึกถึงพระพุทธเจ้าไปนะใจนะเราจะค่อยๆสงบมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอาการนึกถึงพระพุทธเจ้าการนึกถึงลมหายใจนะ mm. เป็นอนุสติ ทำให้ได้สมาธิแล้วการหายใจนะั้นได้สมาธิถึงรูปฌานะการดูผมคนเล็บฝันนงังได้รูปฌานถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธนะั้นได้อุปจารสมาธินี่เราเอาพุทโธประกอบเข้ากับลมหายใจเราก็เข้ารูปฌานได้เอาได้นี่เราหายใจไป ถือว่าเราหายใจเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่หายใจเอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าหายใจแล้วหวังความดีความสุขความสงบนะมันโลภตราบใดที่โลภสติจะไม่เกิดเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสกิเลสก็ไม่เกิดร่วมกับสติเกิดด้วยกันไม่ได้งั้นเวลาภาวนายอย่าโลภถ้าโลภแล้วใจมันเครียด สมาธิไม่เกิดนะหายใจสบายๆไปหายใจแล้วรู้สึกไปนะหรือไม่ชอบหายใจก็มีเครื่องอยู่อย่างอื่น mm hmm. เช่นรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะอยู่ในสติปัฏฐานทั้งนั้นนะการรู้ร่างกายหายใจมีสติรู้การหายใจเรียกว่าอนาปนสติมีสติรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเรียกว่ารู้อิริยาบถ ส่วนถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเรียกว่ามีสมผัชัญญาเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็อย่าไปคิดมากบางคนโอ้คิดกรรมฐานใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะกรรมฐานชนิดใหม่ๆที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้มันจะเก่งอะไรนักหนามันจําเป็นอะไรต้องไปคิดกรรมฐานชนิดใหม่ๆให้มาอย่างบางคนทําสมาธิหมุนไปหมุนมานะโยกโยกอะไรนะ ทำไม่ได้จริงทำไม่ได้จริงหรือบางคนมาถามหลวงพ่อว่าจะลำมวยจีนนะแล้วจเจริญสติเห็นกายมันลำทำได้ไหมบอกถ้าทำเป็นก็ทำได้ทำเป็นหมายถึงจเจริญสติเป็นแต่ถ้าเริ่มต้นมาจากการลำไทยเก๊กอะไรอย่างนะี้นะใจมันจะคล้อยตามใจมันจะเลื่อนลอยตามไปใจมันไม่ตั้งมั่น คล้ายๆสะกดตัวเองลงไปอย่างพวกนั่งโยกเล่นเงนี้ยโยกไปเรื่อยมันเหมือนสะกดตัวเองมันไม่ใช่สมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกไม่ใช่ของเขาไม่ดีเขาก็ดีอย่างของเขาแต่เราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญตญาณ มียานทัศนะครอบคลุมหมดแล้วเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเลือกมาสอนเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมะทั้งหมดที่ท่านรู้แต่ท่านเลือกมาสอนเราเท่าที่จําเป็นที่มีประโยชน์ที่เราทําได้งั้นสิ่งที่ท่านเลือกมาให้แล้วนะเราก็เรียนตามพวกนี้แหละง่ายดีถ้าอาจารย์รุ่นหลังเลือกมาให้เรามันจะสับสนวุ่นวายอย่าง่างอาจารย์เขาบอกให้เรา ไปขอเข้ามาแก้กรรมโน้นแก้กรรนี้แล้วจะภาวนาดีแค่เชื่อว่าคนนั้นเป็นเจ้าครรมนายเวรของเราก็ต้องฟังคนอื่นแล้วฟังคนหนึ่นเขาบอกเพราะนี้แหละเจ้ากรรนายเวรของเราชาวพุทธเราไม่มีอย่างนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีความกำกวมถ้ายังมีกำกวมใช่เล้อใช่เล้อเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแล้ว การธรรมะของพระเจ้าไม่มีความกำควมยกตัวอย่างนะถ้าเรามีอมยมุกนะกินเหล้ากินยาเสพติดเที่ยวเต่เฮฮาปาร์ตี้ทุกคืนเนะพลิดเพลินดูทีนี้เขาเรียกดูอะไรนะทางมือถือดูซีรีสนะ์ดูทีนึนดูโต้รุ่งเลยอย่างเงี้ย มันเจริญได้ไหมในทางธรรมไม่มีทางเจริญหรอกมันเป็นทางเสื่อมมันเจริญไม่ได้เป็นอะไราใยามกุกดื่มน้ําเมาเาที่ยวกลางคืนดูการละเล่ น, เ ล, นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเจ็ดครั้งในการงานนี่คือพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางเสื่อมลองไปทําแล้วให้เจริญดูมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้และสิ่งที่ท่านสอนนะั้นมันตรงไปตรงมาที่สุดเลย ถ้าเราอยากอยู่ในสังคมแล้วอยู่กันได้อย่างสงบสุขในสังคมนะก็ต้องมีธรรมะในการอยู่กับสังคมมีการให้การให้คือการแชร์กันแชร์ในสิ่งที่มีประโยชน์เรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าทานนี่คนไทยใช้ทานเนี่ยไปเรื่องให้วัตถุสิ่งของไปละ จริงมันจะไปตรงคำว่าแชร์มากกว่ามีทานยัมีการเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อกันคนนี้ไม่มีความรู้ให้ความรู้อะไรเงี้ยแชร์กันโกรธกันก็เปิดใจแชร์กันคุยกันอภัยให้กันเนี่ยมันก็อยู่ในคำว่าอภัยทานคำว่าทานมันกว้างนะถ้าเราใช้คำว่าแชเนี่จะใกล้คานี้มากเลย ถ้าเราเห็นแก่ตัวมีอะไรไม่ยอมแชร์เพื่อนนะเพื่อนจะรักไหมอย่างตอนเรียนหนังสือบางคนนะเพื่อนยืมเลคเชอร์ตลอดเลยก็ให้นะเพื่อนมันก็รักนะบางคนเนี่ยงกเพื่อนให้ติวนะแกล้งติวที่สิ่งที่คิดว่าจะไม่ออกสอบนะแกล้งติวเรื่องอื่นเลยเอย่างนี้ไม่เรียกว่าแชร์นะ อย่างนี้เรียกว่าชั่วหลอกเขานางทีกรรมสนองนะมันไปออกไป้ที่ไปบอกคนอื่นนะมันมีเหมือนกันแหละในวัดยังเคยเจอเลยนะเก่งหลักสูตรนักธรรมกันอันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่ออกอันนะี้ไม่ออกปรากฏว่ามันออ ก, นะออกแชร์สิ่งที่มีประโยชน์นะแชร์ด้วยความเมตตาต่อคัน พูดจาต่อกันให้ดีๆปียาวาจาปียาวาจ า, าพูดจาน่ารักไม่ได้แปลว่าพูดเพลาะนะพูดจาน่ารักปียาวาจาอย่างกับเพื่อนเราเนี่ยบทีก็ทักทายกันเฮียพ่อมึงตายยังเนี่ยปียาวาจาฟังแล้วมีความสุขนะเออนี่เพื่อนเราเพื่อนซีเรานะ ถ้าเราเคยคบกันมานะคุยกันแบบหนึ่งพอมาเจอหน้าสวัสดีครับผมเพื่อนผวาเลยมันไม่ใช่ปิยาวาจาแล้วมันห่างเหินเกินไปนะี่คิดดูถ้าเรามีทานมีการแชร์มีปิยาวาจานะพูดให้เขารักพูดในทางที่น่ารักนะอัตตาจริยาทำตัวให้มีประโยชน์ถ้าทำตัวทวงโลกทวงเพื่อนไม่มีใครรักหรอก ที่อาจารย์เขียนนะคนหนึ่งไม่สบายนะเรียกร้องจะเอาน้นจะเอานี่เรียกร้องเอากับเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยเพื่อนไม่รักเพื่อนก็หนีหมดเนี่ยทำตัวไม่ได้เป็นประโยชน์บางทีเป็นหลอกคนอื่นเขานะในวงกรรมฐานเนี่ยมีเยอะเลยเที่ยวหลอกกรรมฐานะหลอกเนี่ยไปจิตเธอเป็นอย่างนี้แล้วนะต้องไปทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหลอกให้เ้านับถือ อันนี้ไม่ใช่อัตตาจริยาไม่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์แต่มันหลอกลวงเขารู้จักไหมทําตัวให้เป็นประโยชน์ทําไงต้องสอนไหมแล้วตัวสุดท้ายนะที่เขาจะรักอะสม า, า, สมาสมนุตตาเสมอต้นเสมอปลายวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายไม่มีใครรักหรอกเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเถียงได้ไหม คนอารมณ์หวือหวาใบโพล่านะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวคึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยากเข้าใกล้ไหมไ ม, ม่ใครอยากเข้าใกล้รหรอกเบียนดัวไม่รู้จะเอาอย่างไงมันยิ้มหวานๆอยู่ฉับพลันมันควักมีดออกมาแทงเราแล้วก็ได้กานะรเลือกเสมอต้นสเสมอปลายก็สําสคัญนะแล้วต้องสเมอสเมอต้นเสมอปลายในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยในทางที่ทานนะในทางคําพูดที่น่ารัก ในการทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่างเสมอต้อนเสมอปลายเพราะฉะั้นเวลาเราจะช่วยคนอื่นเราต้องพิจารณาให้ดีนะเดี๋ยวจะเกิดตัญหาที่หลังอย่างคนมายืมกันเราเราให้ตลอดเลยนะนี้พอมีเรื่องโควิดที่มาเราหากินไม่ได้เขามายืมเราไม่ให้ความดีที่ให้ยืมร้อยครั้งเนะียหายไปทันทีเลยไอ้เนี้ยงกชั่วเห็นแก่ตัวฉับพันอย่างนี้เลย เพราะอะไรเพาไม่เสมอต้อนเสมอปลายแล้วงั้นเวลาทำดีก็ต้องระวังเหมือนกันนะต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันทำแล้วอย่าเดือดร้อนที่หลังความดีนะทำไปเถอะแต่ทำแล้วอย่าให้เดือดร้อนที่หลังอย่างหลวงพ่อนะชอบไปทำบุญกับโรงพยาบาลกับมูลนิธิอะไรพวกนี้ทำเมืนะ่อก่อ น, นทาบุญ โรงพยาบาลกับพวกธนาคารบัวธนาคารกวายอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยคนยากคนจนเลยนี้เยอะคนลําบากเยอะขึ้นหลวงพ่อก็เปลี่ยนไปทำโรงพยาบาลเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราไปทําที่โรงพยาบาลไม่มีใครมายุ่งกับเราทีหลังอ่ะแต่ถ้าเราเอาเงินไปให้คนนี้อ่ะคนอื่นจะอยากได้ละก็จะเริ่มด่าเราแล้วว่าไม่อยูุติธรรม นั้นมันจะวุ่นวายทําแล้วก็สร้างความผูกพันกับคนบางคนขึ้นมานะอย่างบางคนเนะี่ยเป็นพวกผู้ช่ยสอนนะผู้ช่ยสอนรุ่นนี้ยังไม่มีเมื่อก่อนนะ่ยหลวงพ่อสอนกรรมฐานเพื่อนไว้นะแล้วไปสอนต่อไปสอนสอนแนละ้วไปบ้านเขาโทรศัพท์คุยกันไปมาสุดท้ายเลิกกัสามีอยากมีสามีใหม่แล้ว เอาลูกศิษย์เป็นสามนะีหรือเอาลูกศิษย์เป็นภรรยางั้นหลวงพ่อจะมีหลักเกณฑ์นะผู้ช่วยสอนเนี่ยไม่ไม่นัดสอนกันส่วนตัวนะตัวต่อตัวเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะสอนก็สอนในที่เปิดเผยนะเพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายในฐานะที่ยังไม่พ้นกิเลสยังไว้ใจไม่ได้ต้องระวังตัวเองต้องฉลาด ในการรักษาตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยชัดเจนเช่นถ้าเรามีตัณหาเราจะต้องทุกข์ทางใจถ้ามีตัณหาเมื่อไรใจต้องทุกข์ทันทีเลยอันนี้ไม่มีใครเถียงได้ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญานะถึงจุดหนึ่งโลกุทธรธรรมก็ปรากฏขึ้นเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาอันนี้คนที่มันยังไม่ถึงมันก็เถียง นั้ทอหลังของอริยศาสตร์เนี่ยเอาไว้ให้คนที่รู้เรื่องฟังกันคุยกันอย่างพระคุยกันเนียไปหาครูบาอาจารย์คุยธรรมะกันน้ำมันมากเลยบางทีท่านออกปากเลยนะว่าไม่ได้คุยสนุกอย่างนี้มาตั้งเป็นสิบปีแล้ะไม่มีใครคุยด้วยมานะคุยธรรมะกันตอนไั้นก็มาเรื่องโลกโลกนะเรื่องรลกโล ก, โลกคุยแล้วจื ด, จด แต่พวกเรายังเป็นชาวโลกอยู่เราดูให้ดีเถอะทุกครั้งที่มีความอยากใจจะมีความทุกข์จริงแล้วไม่จริงพิสูจน์ด้วยตัวเองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญญูละพระพุทธเจ้าสอนผิดแน่นอนละก้าท้านะไปทําให้ถูกเถอะแล้วยังไงเถียงพระพุทธเจ้าไม่ออกหรอกสีโลราบ สิโรราบกับพระพุทธเจ้าเลยงั้นเราค่อยๆนะค่อยๆสังเกตไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เราทำแล้วสบายใจใหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะพุทโทอย่างเดียวก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้ ดูท้องพองยุบก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้นะทมอนาปณะสติอะไรทํำอะไรก็ได้กรรมฐา น, นะพิจนาผมขนเล็บฝันหนังก็ได้เอาที่เราถนัดทําแล้วสบายใจเอานั้นแหละถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาหลวงพ่อก็เคยทํากรรมฐา น, นเคยทํามาแล้วแทบทั้งนั้น่นะกายาคาตาสติก็เคยทําะดูผมลงมานี้มันสลายเลยนะ เห็นหนังหัวดูหนังหัวสลายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนั่นสลายไปหมดเนื้อเอ็นถึงท้ายกระดูกก็ระเบิดออกไปนะสลายไปอีกนเห็นใจรักได้เหมือนกันนั้นกรรมฐานนะลองทํามาเยอะแยะแล้วก็เลยรู้ว่ากรรมฐานอะไรก็ได้ถ้าทําถูกแล้วช่ได้เท่านั้นแหละขอให้ถูกเท่านั้นแหละแล้วแต่จริตนิสัย จิตนี้ใส่หมอการดูรูปธรรมก็ดูรูปธรรมหมออาการดูนามธรรมก็ดูนามธรรมการปฏิบัติมันมีสองขั้นขั้นของสมถะกับขั้นของมิปัสนาขั้นของสมถะเราก็ดูตัวเองอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อสามารถทําสมถะด้วยการดูจิตได้จับเขาเ้าไปในความว่างจับเขาเ้าไปที่ตัวผู้รู้จับเขาเ้าไปในความไม่มีอะไร ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ความมฐานก็ทําได้นี้พอพวกเราได้ยินอย่างนี้เรามาทำํำเราหาไม่เจอแล้ะมันละเอียดเกินไปนเป็นนามธรรมที่ละเอียดเกินไปในขั้นอรูปเราก็ใช้ของที่หยาบขึ้นมาใช้รูปเห็นหายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้ไปหายใจไปแล้วก็ยังเคลิม้มยังขาดสตินะแสดงว่าการหายใจนี่ยังเป็นของที่ละเอียดเกินไปสําหรับเรา นะี่สังเกตตัวเองละเอียดเกินไปทําให้มันหยาบขึ้นโดยเติมคำ บ, บริกรรมลงไปหายใจเข้าพูทหายใจออกโทถ้ามันยังเคลิ้มขาสติอีกเติมลงไปอีกอันหนึ่งหายใจเข้าฟูทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าฟูทหายใจออกโทนับสองสอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบการนับก็หายไปพอสงบฟุทโทก็หายไปพอสงบเต็มที่ลมหายใจก็หายไปกลายเป็นแสงสว่าง แน่ใจมันก็เดินไปแต่ขั้นต้นเนี่ยดูที่เราทำได้อย่างพวกพระเนี่ยนะหลวงพ่อจะบอกให้เลยในวัดหลวงพ่อเนี่ยพระหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากหลวงพ่อให้ดูกายด้วยซ้าไปนะไม่ใช่ดูจิตนะอาจารย์เ น, นี่ยหลวงพ่อยังให้ดูกายเลยที่ว่าเป็นผู้ช่วยสอนแล้วเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี เขาทามานาปนสติก็ละเอียดไปเคลิมดูจิตก็เคลิมไปมันละเอียดเกินไปถ้าเราทํากรรมฐานที่พอดีที่เราทําได้ถ้าสติสมาธิเรายัางไม่พอเราทํากรรมฐานที่หยับหยบับอย่างรู้ร่างกายนียเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรนะั้นก็รู้สึกไปเรื่อยๆจิงจะส่งพลังขึ้นมา พอจิตมันทรงพลังเด่นดวงขึ้นมาแล้วนะก็เดินปัญญาได้การทาสมถะนะเราก็เลือกสมถะที่เราทำได้พอดีที่จะทำได้นะไม่ใช่ทำกรรมฐานที่ละเอียดเกินไปแล้วทำไม่สำเร็จฟุ้งซ่านหลงไปเลยหลับไปเลยงั้นไม่ดีเลือกที่พอดีกับเรานีพอถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ย พอเราทำสมถะามาแล้วนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วมันตั้งขึ้นเองเราไม่ได้เจตนาตั้งถ้าเรายังเจตนาตั้งยังไม่ใช่ของจริงค่อยๆฝึกฝึกฝึกไปจิตมันจะค่อยมีกําลังขึ้นมีกําลังขึ้นในส่วนมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาหลวงพ่อตอนฝึกเนะีหลวงพ่อง่ายมากเลยหลวงพ่อเห็นจิตไหลเท่านะั้นจิตก็ตั้งมั่นแล้วเพราหลวงพ่อฝึกสมาธิมาเยอะแล้วนี่ถ้าพวกเราเห็นจิตไหล แล้วจิตตั้งมั่นได้โอเคก็เล่นได้แต่จิตไหลไปแล้วก็ไหลตามจิตเลยหายไปเลยทั้งวันอนี้อันนั้นเล่นไม่ไหวนะสติไม่พอสมาธิไม่พอฉะนั้นถ้าไม่ใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญานะไม่ต้องสนใจหรอกว่าสายกายหรือสายจิตสติระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละสติมันชอบรู้กายมันก็ไปรู้กายบ่อย สติมันชอบรู้นามมาทํามันก็ไปรู้นามมาทําบ่อยๆก็แล้ว <c oughs> แต่มันจะเป็นไม่ห้ามมันถ้าจงใจจะรู้อันเดียวนะมันจะกลายไปการเพ่ง ท, ทันทีกลายเป็นสมถะอีกแล้วนะตกจากวิปัสสนากลายเป็นสมถะไปเพราเรารู้ไปสบายๆนะพอใจมันตั้งมั่นแล้วเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปเช่นอยู่กับลมไม้ใช่อยู่กับพุโทโธของเราแหละแต่เราไม่บังคับใจให้นิ่งสักพักหนึ่งใจมันจะทํางาน มันจะปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงความว่างๆคือความไม่ปรุงบ้างปรุงมีสามัญนะปรุงชั่วปรุงดีปรุงความไม่ปรุงแต่งก็คือปรุงนะกปรุงทั้งสามัญนะตัวพ่อตัวแม่มันก็คือตัวอวิชาด้วยกันทั้งหมดแล้วแหละตัวปรุงทั้งหมดเป็นลูกของอวิชาที่เราไม่บังคับมันไม่จะต้องปรุงดีตลอด ห้ามปลุงชั่วหรือทําใจปรุงว่างๆไม่ต้องทําอย่างนั้นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ใจเป็นแค่คนรู้คนดูรู้บ้างเผลอบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลายังไม่ใช่ภูมิที่เราจะทําได้ะรู้บ้างเผลอบ้างแต่จะเผลอนานจะ น, น่าเกลียดถ้าเรามีเครื่องอยู่เราจะไม่เผลอนานนไหลปุ๊บก็จะรู้ไหลปุ๊บก็จะรู้ในจดใจก็จะมีพลังนะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคราวนี้ยพอใจมันไหลปุ๊บมันก็จะเห็นจิตมันไหลนะ ทันทีที่เห็นจิตไหลจิตผู้รู้ก็ตั้งขึ้นมาอีกเนี่ยเห็นเดี๋ยวหลงไปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงไปเดี๋ยวรู้เห็นสภาวะที่เป็นคู่แล้หลงกับรู้เหมือนของคู่กันรู้ไปเรื่อยๆต่อไปมันปัญญามจะเกิดเออจิตรู้มันก็ไม่เที่ยงเว้ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นจิตหลงจิตไหลจิตไหลมันก็ห้ามไม่ได้มันจะไหลก็ไหลของมันเองเป็นอนัตตาเนี่ยการเดินปัญญานะไม่ใช่การคิด แต่ต้องมีสภาวะรองรับเช่นเราเห็นจิตเป็นเคลื่อนไปเห็นจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเคลื่อนไปตรงที่เคลื่อนไปนะี่พอเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนตัวที่เคลื่อนจะดับเกิดจิตใหม่เป็นผู้รู้ขึ้นมาใหม่คนละตัวกันนะจิตไม่ได้มีตัวเดียวนะไม่ใช่มีดวงเดียวไม่ใช่ตัวนี้ไหลไปแล้วพอรู้ว่าไหลแล้วดึงคืนอย่างนี้ไม่ถูกหล้วจิตต้อเกิดดับตลอดเวลางั้นไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปแค่นี้ก็เตินปัญญาได้แล้ว หลวงพ่อตอนเรียนกับหลวงปู่ดุลช่วงหลังๆดูอยู่แค่นี้จิตไหลแล้วก็รู้ไหลแล้วก็รู้ครอบคลุมกรรมฐานทั้งหมดอยู่แล้วล่วลวนะนี่ถ้าตรงนี้ไม่เห็ น, นอย่างเราขี้โกรธนี่เราก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายนี่ก็เป็นธรรมะที่เป็นคู่ะคะะ ก, กันมีโกรธทําไม่โกรธสลับกันไปโกรธก็ไม่เที่ยงไม่โกรธก็ไม่เที่ยงโกรธก็ห้ามไม่ได้ไม่โกรธก็รักษาไม่ได้ เเห็นใจรักนี่คือตัวปัญญาหรือเห็นร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่เนี้ยร่างกายเนี้ยเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคันอยู่นั่งนานๆก็ปวดนอนนานๆก็เมื่อยนทนไม่ไหวก็ต้องขยับไปขยับมาหนีความทุกข์ทำไมร่างกายต้องเคลื่อนไหวไม่คงที่เพราะว่ามันถูกความทุกข์บีบคันนนี่เราเห็นความจริงนะกายนี้ไม่ใช่ของดีกายนี้คือตัวทุกข์ หรือบางทีก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกนะดูอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จิตมันจะเห็นนะขอให้มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมาด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเทานะเดี๋ยวปัญญามันเกิดเองนะพอสติระลึกรู้กายมันก็เห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายและจิตที่เป็นค ร, รู้กายนะพอมันเห็น ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันก็จะเห็นว่าทั้งสุขทุกข์ดีชั่วทั้งจิตเนี่ยรแต่ไม่เที่ยงรั้แต่บังคับไม่ได้นะก็เห็นอย่างเดียวกันนะแต่ดูกายก็คือเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตา น, นั่นแหละนัตรงนี้แหละตื่ตัวปัญญาจิตมันเห็นของมันเองไม่ต้องทุรนทุรายนะเขานั่งแล้วไม่กระดิกแล้วจะดูทุกซิดูทุกมากเลยนะทุกเนี่ยร่างกายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์นะอะไรอย่างเงี้ย พอขยับก็หายแล้วอย่างนี้จิตไม่เชื่อจิตไม่เชื่อยกเว้นแต่ใจแข็งจริงๆนะครูบาจาจะรย์ไหลโอ่งเนี่ยท่านใจแข็งจริงๆเวลากายทุกข์นี่ท่านให้มันทุกข์เลยนะกี่ชั่วโมงท่านก็จะดูมันอยู่อย่างนั้นไม่ก็ดูกระดิกนะท่านท่านบอกว่ามันทุกข์เหมือนภูเขาลงมาทับนะบดขยี้ลงในกายเนี่มันทุกข์จริงๆนะสุดขีดของท่านนะจิตก็สลัดโลกธาตุทิ้งไปเลยนะ พ้นโลกไปเลยเข้าถึงทำแท้ถึงจิตแทะทำแท้ไปเลยบางท่านท่านก็ดูจิตนะสุดท้ายนยีจิตรวมตัวลงมาที่ตัวผู้รู้เนี่ยแล้วก็เห็นมันเป็นตัวทุกขนะ์ทุกข์หนักหนาสาหัสเนะีเหมือนภูเขาลงมาขยี้เหมือนกันเลยนะไม่ได้แตกต่างกับที่ดูไกลกันเนะนะนี่บางองค์ท่านเห็นอย่างนี้นะบางองค์ท่านก็ดูง่ายๆนะเห็นมันไม่ใช่เราแล้ ว, ลวท่านก็วางไปเลยแล้วแต่จลิตนิสัย ถ้าพวกทรงฌานเนี่ยจะเห็นต้องประกอบด้วยทุกข์ถึงจะผ่านได้เพราะเวลาเข้าฌานมันมีแต่ความสุขนะเพราะฉะนั้นจิตที่ทรงฌานจิตที่มีความสุขคีอไปดูให้มันทุกข์เนี่ยมันดูไม่ได้ใจมันไม่ปล่อยจิตหรอกนะมันจะยอมปล่อยแต่ว่าปัญญาแทงตลอดลงไปว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะยอมปล่อยแต่ถ้าเราเป็นพวกมีศรัทธามากอะไรเงี้นะเห็นเกิดดับไม่เที่ยง จิตก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงอะไรนะเห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ยอมวางแล้วนี่ยอมง่ายพวกนี้ยอมง่ายนะพวกปัญญาเยอะเห็นไั้นนั<ๆ>่นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ยอมวางแต่พวกสมาธิเห็นทุกแสนสาหัสนะถึงจะยอมวางนะนี่ค่อยๆฝึกไปนะธรรมะของจริงไม่มีวันล้าสมัยไม่ต้องเปลี่ยนอย่างวิชาแพทย์เนะี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อย เดี๋ยวต้องทําอย่างนี้เดี๋ยวไม่ให้ทําอย่างนี้นะเดี๋ยวให้กลับมาทําอีกละเงีนะ้ยแค่กินไข่นะยังกลับไปกลับมาอนะไรชุกยุคหนึ่งให้กินไข่ยุคหนึ่งไม่ให้กินไข่ยุคนี้ให้กินไข่อีกละเนะีนะ่ยขนาดวิชาทางแพทย์นะยังแกล่งไปแกล่งมาอนะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีแกลนงยังไงก็อย่างนั้นกี่พันปีมาแล้วก็ทรงคุณค่าอยู่อย่างนี้แหละไม่มีทางเปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่ต้องทำซ่าคิดธรรมะใหม่ๆขึ้นมาหรอกนะที่ท่านสอนนะทำให้ได้ก็แล้วกันแค่นั้นก็พ้นทุกข์แล้วโวด่ซ่าแลคิดวิธีใหม่ๆขึ้นมามเห็นจะรอดสักลายนะมีแต่กิเลสยิ่งหนักกว่าเก่าซะอีกนะกูเก่งกูเก่งอย่างนั้นแหล ะ, นะะวันนี้พอสมควรนะเลยไปห้านาทีส่งกันบ้านหมายเลขยี่สิบครับ หลวงพ่อให้การบ้านคือให้หนูกลับไปบริกรรมพุทธโทแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดหนูปฏิบัติในรูปแบบเช้าเย็นตามที่หลวงพ่อสอนพอพุทโธไปจะเห็นจิตไหลไปคิดตลอดสลับกับเห็นจิตที่มีโทสะแต่สังเกตช่วงก่อนหน้านี้จะสามารถรู้ทันโมหะและโทสะได้ดีกว่านี้ช่วงนี้รู้สึกจิตไม่ตั้งมั่น อยากขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะขอบคุณค่ะสมาธิมันไม่พอล้นะต้องทํากรรมฐานเพิ่มสมาธิหน่อยรู้สึกลงในร่างกายเลยนะไม่ต้องไปนั่งทําสมาธิด้วยจิตหรอกเพราะจิตของเราเนี้ยหมดพลังไปแล้วเอามาลงมาที่กายอย่างเนี้ยกายยืนอยู่รู้สึกกายพยักหน้ารู้สึกนะรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวม่ใจะได้กำลังขึ้นมาแล้วกลับไปดูจิตดูใจได้ชัดขึ้นมาอีกหลวงพูมั่นถึงบอกดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะ้กลับไปดูกายเพิ่มขึ้นสมาธิจะได้เพิ่มตอนนี้สมาธิไม่พอหมายเลขยีกครับทรงการบ้านสองปีก่อนหลวงพ่อให้หายใจแล้วรู้สึกเพราะจิตติดความสุขไม่เข้าฐาน ช่วงนี้เห็นทุกขเวทนาในกายเยอะมากเห็นภาระของร่างกายเวลาจิตมีแรงจะเห็นเวทนาเกิดดับอยู่ในกายเห็นจิตเดี๋ยวฟุง้งเดี๋ยวซึมเปลีไปไ่ยนแปลงได้เองขอคำแนะนำด้วยค่ะภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะที่เห็นนั่นเห็นถูกแล้วรู้ลงในกายนะนะันหละไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ทุกข แต่ถ้าดูกายแล้วทุกข์จนทนไม่ไหวนะกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปนะแต่ถ้าดูกายแล้วจิตสงบได้ก็ก็ใช้ดูกายทำสมถะไปเลยผมคนเล็บฝันหนังถ้าทาแล้วจิตยังไม่มีหรือวามีแรงก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปไเห็นร่างกายหายใจไปนะเอากายมาช่วยหน่อยดูจิตอย่างเดียวรวดไปนี่กำลังไม่พอ อาการที่คุณเป็นเนะี่ยหลวงพ่อเคยเป็นเราหลงตามมหาบหัวท่านแก้ใหนะ้เราดูจิตไปเรื่อยเลยแล้วเราว่าเราเดินปัญญาอยู่สุดท้ายแนละ้วมันไม่พัฒนานะมันเหมือนมันไม่มีกําลังมันมีแต่ความสุขสบายว่างๆไปงั้นนะหลวงตาท่านบอกว่ามันดูไม่ถึงจิตล้ต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ งั้นเราไปหายใจเข้าพดใหายใจออกโทรสักช่วงหนึ่งนะให้จิตมีกำลังก่อนให้จิตมีกำลังแล้วกลับมาดูกายกลับมาดูจิตได้ไม่งั้นไม่มีกำลังพอสมาธิของฆราวาดมันน้อยวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงยุ่งกับเรื่องอื่นซะเยอะงั้นเพิ่มสมถา‑‑ขึ้นหมายเลขสามสิบสองครับ รายงานการปฏิบัติในรูปแบบทุกวันสี่สิบนาทีอย่างน้อยระหว่างวันใช้การสวดมนต์ในใจเป็นฐานขอหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านข่าสาทุข่ะเวลาสวดมนต์แล้วใจมันหนีไปคิดแล ร, รู้ไหมนะถ้าอย่างนี้ก็ใช้ไดนะ้คือเราใช้จิตของเราเป็นมิหรธรรมจิตหนีไปเราก็รู้จิตตั้งมั่นอยู่เราก็รู้นะอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดเรารู้ไหม ถ้ารู้ก็ใช้ได้แต่ช่วงไหนดูจิตไม่ชัดก็ามาดูกายนะอย่าไปรังเกียจ ร, ร่างกายเลยร่างกายมันดูง่ายมันไม่เคยหนีไปไหนแต่จิตมันหนีเก่งงั้นดูจิตดูจิตบางที่จิตมันหนีไปแล้วหามันไม่เจอแล้วหาไม่เจอไม่ต้องไปหามันนะมารู้สึกร่างกายไปแต่เดียวหนึ่งก็มีแรงมีแรงก็ดูจิตได้ต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตเนี่ยมันกระจายขว้างออกไปนิดนึง ขณะ น, นี้รู้สึกไหมมันกว้างๆออกไปเพราะฉะนั้นสมาธิมันย่งไม่ส่งตัวเข้ามาก็าให้รู้ทานแล้วทำสมถาของเราไปถ้าใจตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญยาต่อมันจะเห็นวความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตโทกชนิดเกิดแล้วดับดูอย่างนี้ก็ได้หมายเลขสามสิบห้าครับ ภาวนาด้วยการเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจเพิ่มกาลังสติแก้อาการจิตแช่ง่วงการภาวนาแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังมีอะไรควรเพิ่มเติมในการภาวนาถูกต้องแล้วล่วนะภาวนาของเราต่อไปที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วแล้วเวลาจิตมันเกล็งขึ้นมาเราก็รู้นะมันเกร็งอย่างขณะนี้มันไม่เป็นธรรมชาติแล้ว เราก็รู้มันตื่นเต้นมันก็อะไรเป็นบังคับตัวเองไหมนะจิตนี้ไปคิดเราก็รู้จิตเป็นยังไงเราก็รู้ไปดีจิตมีพลังขึ้นเยอะแล้วนะหนูใช้กรรมฐานอะไรจิตถึงมีแรงขึ้นมานี้ใช้ได้รู้สึกไปเรื่อยๆนะอ้าต่อไป หมายเลขสี่สิบเอ็ดครับกราบหลวงพ่อครับส่งการบ้านในรอบเกือบหนึ่งปีครับปฏิบัติในรูปแบบตลอดครับรู้สึกว่าจะถนัดดูร่างกายที่เคลื่อนไหวมากกว่าดูจิตอขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้จะเดินยิ่งขึ้นไปครับทำถูกแล้วล่ะดูกายไปเรื่อยๆนะแล้วจิตมันเป็นคนดูเด็ไม่ก็รู้จิตเองแหะ ที่เราฝึกอยู่นี่ใช้ได้แล้วนะจิตมันมีพลังขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมนะจิตใจที่มันมีพลังนะมันจะรู้ตื่นเบิกบานโดยเราไม่ต้องบังคับมันถ้าเราไปบังคับมันเมื่อไหร่มันจะเครียดใจมันจะหนักแน่นแข็งซึมทื่อไปไม่ดีที่ฝึกอยู่นั้นใช้ได้แล้วลนะดีแล้วลนะทําให้มากนะทําสม่ําเสมอไปตัดตัวนี้ออกตัวโลคอยากได้ผลเร็ว ตัวนี้ยังกวางเราอยู่ดูออกไหมตัวนี้ระวังตัวนี้ไว้มันภาวนานแล้วมันอยากได้ผลเร็วๆรู้ไปหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับรู้สึกตัวเองไม่คืบหน้าในการภาวนาขายเข้าใจบนความคิดขอการบ้านที่เหมาะกับตัวเองโดยเฉพาะครับดูร่างกายไป ดูมันทีละส่วนเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอก็กระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคิดพิจารณาเข้าไปเลยใจมันชอบคิดจะพามันคิดแต่ว่าคิดอยู่ในเรื่องของอนุสตินี่แหลนะจำได้ไหมลองทำดูนะแล้วมาส่งกันบ้านจิตนะ่มันมีพลังขึ้นมามากพอสมควรแล้วละมันดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วละ นี้เรามันไม่ยอมเดินปัญญาเวลาจะเดินปัญญามันฟุ้งซ่านแทนทุกทีไปเราก็มาช่วยมันพียรณาผมคนเล็บฟันหนังของเราไปเรื่อยๆผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้ค่อยๆดูเป็นส่วนส่วนส่วนไปขน รูปร่างเป็นอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้บังคับไม่ได้อย่างนี้อะไไม่เที่ยงหลุดล่วงไปอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปดูพิจารณาอยู่ในกายนี่แหละจะได้ดีกว่านี้อีกดีหมายเลขสี่สิบเก้าครับเห็นดับเห็นดับมากขึ้น เห็นมุมมองของอนัตตามากขึ้นอะไรคือเหตุให้ภะละห้าเข้มแข็งและสมดุลมากยิ่งขึ้นครับตัวที่ทําให้สมดุลคือตัวสติของเราแหละทําให้ภะละสมดุลที่เหลือก็อยู่ที่การฝึกของเราแล้วะ น, น, นานฝึกทีมันก็ไม่เข้มแข็งหรอกยามมีสติอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่ศรัทธาเราก็ยิ่งแน่นแฟ้น ยิ่งเห็นความจริงนะวิริยะของเราก็ยิ่งขยันทำไปแล้วไม่เห็นผลบางทีขี้เกียจแล้วมีสติเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่ทำให้พระห้าสมดุลกันอยู่ที่ตัวสตินะแล้วบางทีภาวนาไปแล้วใจมันฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องกลับมาทำสมาธิทำสมาธิแล้วจิตมันสงบนิ่งเฉยอยู่ไม่ดี ออกไปเจริญปัญญาพาจิตม่คิดพิจารณาลงในร่างกายไปเลยแล้วศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นยิ่งพอเราภาวนานเห็นผลแล้วเนี่ยใครจะมาให้เราบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดเนี่ยเราพูดไม่ได้เลยใจเราไม่เชื่อเพราะศรัทธาของเราแน่นแฟนแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนถูก นัศรัทธานั่นแฟนขึ้นมาก็เพราะปัญญามันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วงั้นเอกลห้าอินสี่ห้านี้มันเกี่ยวโยงกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแต่ว่าทำอะไรก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติวิงทีสมาธิล้าไปนะหรือความเพียรความเพียรมากไปสมาธิก็ตกอย่างเงี้ยศรัทธามากไปปัญญาก็ตก เนี่ยมันเป็นคู่คู่ของมันตัวที่จะทําให้สมดุลมียสติจเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยเห็นความจริงมากเท่าไหร่ศรัท ธ, ธาก็มากเท่านั้นหละยิ่งเห็นความจริงความเพียรก็มากเท่านั้นแหละพาวนาแล้วไม่เห็นผลไม่เห็นความจริงสัิทีมันก็ขี้เกียจวิทยาันก็ไม่มีนั่นเราเพิ่มพลังห้าด้วยการปฏิบัติเอา หมายเลขห้าสิบสองคนสุดท้ายครับการปฏิบัติในรูปแบบใช้การเดินจงกรมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงและสวดมนต์ไหว้พระตามสะดวกเครื่องอยู่เวลาฝุ้งหนักคือพุทโธในแต่ละวันดูสภาวะโดยการไหลแล้วรู้ค่ะ อ, อย่ากลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะถูกจะ ต, ต้องทำอีกนะทำไปเรื่อยๆอย่าอยาก อยากได้ผลเ ร, เร็วๆมันจะยิ่งช้าทําไปสบายๆการปฏิบัติทั้งหลายทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้ทําเพื่อเอาอะไระตั้งใจไว้อย่างนี้ใจเรายังโลภอยู่งั้นเราค่อยๆสังเกตไปอย่าทําด้วยความโลภทําด้วยความเสียสละเนี่ยยอมเดินเหน็ดเหนื่อยนะทีละชั่วโมงอะไรเนี่ยถือว่าเป็นพุทธบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยวางใจอะไร ให้มันออกนอกตัวเองไม่ใช่ส่งจิตออกนอกนะหมายถึงไม่ได้ทําอะไรเพื่อเซิร์ฟอัตราตัวตนนะนะไม่ใช่นั่งสมาธิได้เยอะกูเก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ล้มเหลวละนะั่งสมาธิก็ถือว่านั่งบูชาพระพุทธเจ้าเดินจงกรมบูชาพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไม่เอาผลประโยชน์เข้าตัวนะการภาวนามันจะราบรื่นแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าช้าเพราะเราไม่ได้หวังอะไรถ้าเราหวังมันจะช้าตลอดนะเพราะมันไม่ได้เร็วเท่าที่หวังหรอก ถ้าภาวนาแล้วหวังนะช้าถ้าภาวนาแล้วไม่ได้หวังนะเร็วที่พูดอย่างนี้นะพูดมาจากประสบการณ์จริงเลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อจะเร่งภาวนานะตั้งแต่เป็นโยมะไม่อยากกลับมาเกิดในโลกแล้วจะพยายามพยายามใจเปนโลภไม่ได้ผลหรอก ค่อยมาภาวนาทีหลังเนะี่ยใจมันไม่รอบแล้วจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนะ่เฝ้ารูเฝ้าดูลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความชุ่มฉ่ำเบิกบานจิตใจของเราโดยที่เราไม่ต้องสแสวงหายิ่งเราอยากได้ยิ่งทุกขนะ์ใจยิ่งฟุงฟงร้าง งั้นทำกรรมฐานทำหปสบายส บ, ยบูชาพระพุทธเจ้าจะได้ผลไม่ได้ผลก็เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราจิตไม่ใช่เรารจิตนี้มันยังโง่อยู่ก็ให้มันเรียนนานหน่อยจิตนี้มันฉลาดแล้วไม่เคยเรียนมานานแล้วมันฉลาดแล้วก็เรียนอีกไม่มากมันก็ได้มรรคผลเราเลือกไม่ได้ว่าจะช้าหรือเร็วอยู่ที่กรรมของเราอยู่ที่การกระทาของเรา ไม่อย่าโลบนะของคุณยังโลภอยู่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเชิญใครจะส่งกันบ้านก็รออยู่ในนี้เลยนะจะเรียนกับผู้ช่วยสอนเราเลือกอาตามอัธยาศัยเรียนกับใครก็ได้คนไหนไม่อยากเรียนแล้วก็เชิญออกข้างนอกไปแล้วพวกข้างนอกเขามีสติ๊กเกอร์ไหม ข้างนอกติดสติ๊กเกอร์อันนี้ไหมไม่มีนะอ๋อก็พวกที่มีสติ๊กเกอร์เนี้ยปวดฉี่อะไรนะก็ไปฉี่ก่อนแล้วเจอเข้ามาส่งันบ้านก็ได้น่เชิญ